แนะนำบทอัซซุรุบบทอัซซุรุบเป็นบทมักกียะห์มี 89 องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงแหล่งที่มาของวะฮีและข้อเท็จจริงของอัลกุรอานอัลเลาะห์ทรงประทานลงมาให้แก่ท่านนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นด้วยสำนวนที่ชัดเจนและข้อชี้แจงที่ชัดแจ้งทั้งนี้เพื่อเป็นปาฏิหาริย์ที่กระจ่างชัดแก่ท่านนบีและชาวโลกอง จากนั้นได้เปิดเผยหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ในชั้นฟ้าและผืนดินในภูเขาและที่ราบลุ่มในท้องทะเลและแม่น้ําในน้ําที่หลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าและเรือเดินสมุทรที่อยู่ในท้องทะเลในป่าสุขซึ่งอัลเลาะห์อํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาใช้บริโภค และใช้เป็นพาหนะวันนี้ได้กล่าวถึงสังคมสมัยยาฮิลียะห์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเชื่ออย่างงมงายและการบูชาเจว็ดโดยที่พวกเขาเกลียดหญิงแต่ในเวลาเดียวกันก็ยัดเยียดหญิงให้แก่อัลเลาะห์ด้วยความโง่เขลาบ่าวปัญญาโดยอ้างว่ามาลาอิกะห์เป็นหญิงของอัลเลาะห์องค์การต่างๆได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อขจัดความเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา และเพื่อชี้นําจิตใจให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและข้อเท็จจริงที่แน่นอนบทนี้ได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งพวกบูชาจเวตได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาสืบเชื้อสายและมีแนวทางเดียวกันกับเขาบทนี้ได้ปฏิเสธข้ออ้างอันเหลวไหลของพวกเขาและได้ชี้แจงว่าอิบรอฮีมนั้นเป็นคนแรกที่ปลีกตัวออกจากการเชื่อถือจเวต บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของมูซาที่ปลีกตัวออกจากการฟิรอาวเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือฟิรอาวผู้มีความหยิ่งยโสมีความภูมิใจและโอหังต่อมูซาในอำนาจการปกครองของเขาเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของพวกชาวกุเรชได้แสดงต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และนั้นบ้านปลายของเขาก็คือการจมน้ําตายและความพินาศอย่างย่อยยับบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสภาพบางส่วนของวันปรโลกและความน่ากลัวของวันนั้นและได้ชี้แจงถึงสภาพของผู้กระทําความผิดโดยที่พวกเขาโอดครวนอยู่ในขุมนรกบทอัซซุรุกถูกขนานนามเช่นนี้พระในบทได้มีการยกอุทาหรณ์อย่างน่าประหลาดถึงความเปริดเปรี้ยวของโลกนี้ ความเพลิดเพลียวดังกล่าวได้ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่เคลือบเคล้มไปกับมันดังนั้นอัลเลาะห์จึงประทานความดีในโลกนี้ส่วนในปรโลกอัลเลาะห์จะไม่ประทานความดีให้คนชั่วด้วยเหตุนี้คนดีและคนชั่วจะรับความดีในโลกนี้ส่วนในปรโลกนั้นอัลเลาะห์จะไม่ประทานความดีแก่ผู้ใดนอกจากดวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเท่านั้นโลกนี้จะต้องพินาศสูญสลาย ส่วนพระโลกนั้นจะอยู่ยงไปตลอดกาลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมวัลกิตาบิลมบินฮามีมขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง inna ja'alnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun แท้จริงเราได้ทำให้มันเป็นกุรอานภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจ wa innahu fi ummil kitabi ladayna al-'aliim hakim และแท้จริงอัลกุรอานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคัมภีร์ณที่เราคือสูงส่งพร้อมพร้อมด้วยสติปัญญา افَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ دَنันจะให้เราหันเหข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียว เพราะพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนกระนั้นหรือ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนบีมาในชนชาติรุ่นก่อนๆ وَمَا يَأْتِي نبين الا كانوا به يستهزئون لا ما في نبي كل داي تي داي มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้เยาะเย้ยเหยียดหยามเขา فاهلكنا اشد منهم بطشوا ومضامثل الاولين تنั้น เราจึงได้ทําลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา เหล่าตาหรณ์ของชนชาติรุ่นก่อนๆก็ได้ล่วงลับไปแล้วและหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ทรงสร้างมันเหล่านั้น الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سُبلاً لعلكم تهتدون.ทรงทำให้แผ่นดินแผ่กว้างสำหรับพวกเจ้า และทรงทำให้มีถนนหนทางในแผ่นดินสำหรับพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่เป้าหมาย. والذين نزل من السماء ما القادر فانشطنا به بلده ميتا كذلك تخرجون لاเป็นผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟ้าตามปริมาณ และด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นเช่นนั้นแหละพวกเขาจะถูกให้ออกมาจากสุสาน وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لَأَنَّهُ مَن خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ เพื่อพวกเจ้าจะได้นั่งบนหลังมันอย่างมั่นคงและพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้นั่งขี่บนมันอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เรา และเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้วัยนาอิลอรบบินาลมกัลบุนและแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนวะจาลูละฮุมินอิบาดีฮิจุซออินนัลอินซานะลักฟูรุมมูบีนและพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากวงบ่าวของพระองค์ คู่เคียงกับพระองค์แท้จริงมนุษย์นั้นเนรคุณอย่างชัดแจ้งอามิตตะขอดะมิมมายะคหลุกบะนาตวะอัศฟาซบิลบะลีนหรือว่าพระองค์ทรงยึดเอาลูกหญิงจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงเลือกลูกชายให้แก่พวกเจ้า وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ <مبين> และบุตรีผู้ที่ถูกเติบโตมาท่ามกลางเครื่องประดับและในการโต้เถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจ้งจะตั้งใจให้พวกนางเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์กระนั้นหรือวะจาละลุลมะลาอิกะตัลละดีนฮุมอิบาดุรเราะห์มานอีนาซาอัชฮิดูค็อลกะฮุมสะตุกตะบุชะฮาดะตุฮุมวะยูซะลูน ละพวกเขาได้ตั้งมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาว่าเป็นเพศหญิงและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานในการสร้างพวกมาลาอิกะห์กระนั้นหรือการเป็นพยานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้และพวกเขาจะถูกสอบสวนวะกาลูลอชา อัร-เราะห์มานู มาอะบะดนาฮุมมาละฮุมบิฎาลิกะมินอิลมินอินนะฮุมอิลลายะครูซู แล้วพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพสักการะมาลัยกะดอกพวกเขาไม่มีความรู้อันใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดแขเนเท่านั้นอัมอตัยนาฮุมกิตาบันมินฆอดลิฮิฟะฮุมบิฮิมุสตัมสิกูนหรือว่าเราได้ประทานคัมภีร์เล่ม 1 แก่พวกเขาก่อนหน้านั้นแล ดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคัมภีร์นั้นไว้อย่างมั่นคงดัลกาลูอินนาวัจดนาอาบาอะลาอุมมะตินวะอินนาวะอินนาอะลาอาสาริฮิมมุห์ตะดุนเปล่าเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขาเท่านั้น وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ لِذٰلِكَ لَمْ نُرْسِلْ مُنْذِرًا قَبْلَكَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ إِلَّا يَسْكُنُونَهَا وَإِنَّهُمْ لَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قالوا ولوه جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا اننا بما أُرسلت به كافرون قال رسولهم พวกเขากล่าวว่าหากว่าฉันได้นำมาให้พวกเจ้าซึ่งแนวทางที่ถูกต้องกว่าที่พวกเจ้าได้พบเห็นบรรพบุรุษของพวกเจ้ายึดถืออยู่แล้ว พวกเขากล่าวว่าถ้าจริงเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมานั้นเออจะ قمนา منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين ดังนั้นเราได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะเป็นเช่นไรวะอิซกอละอิบรอฮีมลีอบีฮิวะกอมีฮิ اني براء من ما تعبدون لا จงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดี الا الذي فطرني فانه سيهدين นอกจากอัลเลาะห์ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้น พระแท้จริงพระองค์จะทรงชี้ทางนําที่ถูกต้องให้แก่ฉันและขาวอิบรอฮีมได้ทําให้คํากล่าวซะฮาดะห์อยู่คงต่อไปในลูกหลานของเขาหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสํานึกผิด بَلْ مَتَّعْتَهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌยิ่งกว่านั้นข้าได้พวกเขาเหล่านั้นและบรรพบุรุษของพวกเขาหลงระเริงอยู่จนกระทั่งได้มีสัจธรรมอัลกุรอานและรอซูลผู้ประกาศสารอย่างชัดแจ้งมายังพวกเขา وقالوا هذا سحر وان نبيك كافرن ครั้นเมื่อสัจธรรมได้มายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมายากลและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมนั้น